ขั ios, นที่เป็นไปพร้อมด้วยความยึดมั่นด้วยอุปาทานสี่เหล่านั้นเป็นทุกข์คำว่าขันที่เป็นไปพร้อมด้วยความยึดมั่นอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอุปาทานขันครั้งก่อนกล่าวว่าอุปาทานขันหมายคำว่าขันที่เกิดจากอุปาทานหนึ่งสองขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสขันที่เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน likewise. ขันที่มีองค์ประกอบเหล่านั้นแหละเรียกว่าเป็น ทุกเป็นตัวทุกเนีนะตัวทุกนะวัตถุที่เป็นอารมณ์ของตัณหาเนี่ยถือว่าเป็นตัวทุกวัตถุที่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาก็ชื่อว่าเป็นตัวทุกวัตถุใดที่เกิดจากตัณหาวัตถุนั้นก็เป็นวัตถุที่เป็นทุกคำว่าทุกก็คือเป็นไปกับทุกสามอย่างนะนะคืนโดยทั่วทั่วไปก็ทุกกะทุกถ้ามันอย่างดีวิปริณามทุกถ้าเป็นปานกลางทั่วไปก็ สังขารทุกข์มัก็เป็นไปด้วยทุกข์เมื่อไรเนาะเราจะเห็นใครเดินมากบอกทุกข์สามประการเดินมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทุกข์ก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นน่นนะอ๋อเดี๋ยวเย็นนี้ทุกข์สามประการจะไปเชียงใหม่แล้วทุกข์ก็ทุกข์ก็จะไปแล้วไงนะวิปรินามาทุกข์ก็จะไปแล้วสังขารทุกข์ก็จะไปแล้วเนี่ยนะก็น้องไปคิดในลักษณะเนี่ยนะถามว่าคิดอย่างนี้มากๆาไปเนี่ย เชื่อไหมว่าจะออกจากอุปาทานขันท่าได้เป็นไปได้ไหมที่จะเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, น้อมไปคิดเธอะเพราะนั้นสังเกตดูนะเนติปกรณ์เป็นคำภีร์ที่ชี้ไปชี้มายนลงอริยสัตว์ทั้งปีเนี่ยนะเกือบจะทุกหน้าเนี่นทุกนี้สมุทัยนะียชี้ไปชี้มาก็ลงที่อริยสัตว์เพราะคมภีร์นี้จึงตรงตามความหมายจริงๆนะเนติเพราะนําไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยนะ เนติปรกรณเป็นคมภีร์ที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานแนวความคิดของท่านชี้อยู่ที่เดียวนะจะยืนตําแหน่งไหนก็ตามชี้ให้ดูดาวดวงเดียวนั่นแหละนะถามว่าพวกผู้ที่ประพฤติพรหมจารย์คิดอย่างนี้นะตัณหาเขาจะแห้งในวัตถุต่างๆไหมเป็นบุคคลที่แห้งจากวัตถุต่างๆไหมสมมติเราคิดนะถ้าจารย์สันติไปเจริญอย่างนี้บ่อยๆทั้งวันทั้งคืนเลยนะ ถามว่าตันหามันจะแห้งลงไหมแห้งแน่นอนแต่ถามว่าถ้าไม่ตรึกอย่างนี้นะไปเติมปุ๋ยนะเออตรงนั้นก็ดอกไม้สวยตรงนั้นก็อาหารอร่อยตรงนั้นก็เพื่อนคุยกันถูกคอตรงนั้นก็อากาศดีตรงนั้นวิวก็สวยอะไรจะเกิดขึ้นนั่นะก็สร้างวิมานขึ้นในความคิดไปหลายวิมานแล้วนะก็เฝ้าวิมานนะสร้างเสร็จก็เฝ้า่ะนะนะ สร้างเสร็จก็ลําบากดูแลนะก็ตอนสร้างไม่มีความสุขมากเลยนะผู้การเล่าตอนสร้างมีความสุขมากเลยนะสุขมากเลยนะทีนี้ก็มาหาบริหารนะครับนะี่แต่ถ้ามองว่านี่นะวัตถุเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งทุกปานใดเรานึกถึงเลยนะถ้าเรามาเกิดใหนะ ม, ม่นะสมมติมีอายุหนะ้าหกสิบปีเนี่ยนะถามว่าเราจะบริหารอีกขนาดไหน มหาบริหารทั้งนั้นเลยนะโอ้โหการเกิดในภพใหม่ถึงอยู่ในฐานะใดๆก็ตามมันมหาบริหารจริงๆงนะนะตัณหาและอวิชชาที่เป็นอุปาทานสี่นั้นเป็นสมุทยัยตัวที่ไปฉาบไปรูปไปไล่ไปเพลดิดเพลินไปกลืนกินเบ็ดซับในวัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่นยนะความเพลิดเพลิอนอนนั้นเป็นสมุทยัยเพราะเป็นเหตุแห่งทุก คำว่าอุปาทานนักขันเนี่ยเป็นขันที่ตัณหาอุปาทานสร้างขึ้นใช่ไหมไอ้ตัณหาและอุปาทานที่ไปเกิดขึ้นนั่นแหละคือการก่อสร้างของเราทั้งหลายเนี่ยถว่าโดยสภาวะประมัดไม่ค่อยเบื่อหน่ายในการก่อสร้างวัตตะสักเท่าไหร่ น, นะเพราะอะไรเพราะมองเห็นอารมณ์ใดก็ก็น่าเพลิดเพลินไปทุกอั น, นเนี่ยนะนั่นคือกิจกรรมในการสร้างวัตตะก็จะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะเพราะอะไรก็ตามแต่คือการสร้าง วตะห ล, ลายเรื่องเราบอกว่าเราทําเพื่อบุคคล น, นั้นทําเพื่อคนนี้เฝ้าวัตะเพื่อบุคคล น, นั้นเฝ้าวตะเพื่อบุคคล น, นี้เหมือนอย่างว่าไปขอเที่ยวกู้อ้างเพื่อบุคคลอื่นนะนะขอรับเป็นนายหน้าเที่ยวกู้เขาทั่วไปหมดเลยนะอ้างอะไรอ้างบุคคลอื่นถามว่าบุคคล น, นั้นจักเป็นเช่นไรต่อไปในภายหน้านะนะสํานวนพระมีในในเปรต ว, วัตถุใช่ไหมอย่าไปทวงว่าทำไมลูกหลานไม่หยาดน้าให้บ้าง ก็อย่าไปหวังขนาดนั้นเลยนะนะลูกหลานบางคนมันเกิดมาทําบุญุทธิ์ไปให้พ่อแม่บ้างหรือเปล่าไม่ทราบทําบุญแล้วมีในความคิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนนั้ถ้าไม่ยิ่งยุคหน้าต่ อ, ต อ, ต อ, ต อ, ตอไปนะก็ลําบากแม้กระทั่งถ้าเราไปเกิดในภพ บ, บางภพเนี่ยนะถ้าไม่ประกอบด้วยองค์สามเราไม่ได้รับนะไปหิวอยู่ที่นั่นพุทธันดรหนึ่งเดือดร้อนนะก็เจริญเอาไว้เยอะๆเถอะ เรารู้เลยว่าไอ้ความเพลิดเพลินในอุปาทานขันห้าเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆทุกโดยเฉพาะทุกในภพต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะเบญจขันเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมแสดงธรรมเพื่อการกําหนดรู้และเพื่อการละเบญจขันเหล่านั้นย่อมทรงแสดงเพื่อการกําหนดรู้ทุกเพื่อการละสมุ ท, ทยัยอย่างที่ว่านะตัณหานุสัยยังไม่ถูกตัดขาดทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆ สรุปว่าไอ้ตันหานุสัยพระองค์แสดงเพื่อการเพื่อให้ละไอ้ทุกบ่อยๆเนี่ยพระองค์แสดงเพื่อให้กําหนดรู้เนี่ยนะนั้นประการประกาศตันหาก็เพื่อละประกาศทุกขเพื่อทำให้ทําตริญญาเพื่อกําหนดรู้บุคคลถอนตันหานุสัยได้โดยไม่เหลือด้วยทําใดธรรมะนั้นชื่อว่าสมถะบุคคลระ ง, งับอวิชชาซึ่งเป็นตัดใจของตันหานุสัยได้ด้วยทําใด ธรรมะนั้นชื่อว่าวิปัสนาสมถะนั้นในองค์มรตมีที่ตัวมีกี่อย่างมีหกสัมาวาจาสัมากรรมตะสัมาอาชีวะสัมาวายามะสัมาสติสัมาสมาธิเป็นสมถะส่วนสัมาทิถีกับสัมาสังกบปะเป็นวิปัสนานั่นะมันก็มรตแปดนั่นแหละที่จะถอนหรือตันหาระงับอวิชชาโดยโดยเด็ดขาดได้เนี่ยนะ ธรรมะทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเขาบริบูรณ์แค่ไหนเป็นภาวนาบริบูรณ์ระดับโสดาปฏิมัคบริบูรณ์ระดับสกทาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตมัคถ้าบริบูรณ์แบบโสดาปฏิมัคเขาเรียกว่าทัศนะถ้าบริบูรณ์แบบสกทาคามิมัคเป็นต้นไปเรียกว่าภาวนาใน2 อ, อย่างนั้นผลของสมถะคือเจโตวิมุติเป็นที่สำรอก ราคะผลของวิปัสสนาคือปัญญาวิมุติเป็นที่สํารอกอวิชชาท่านบอกว่าเจโตวิมุติหมายถึงมัคคสมาธิเอกัคตาที่ในมัคส่วนปัญญาวิมุติเป็นชื่อของมัคคปัญญาเนี่ยนะก็มัคคสมาธิมัคคปัญญาเนี่ยนะก็ยกตัวอย่างสองตัวก็พอใช่ไหมสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นสมถ ะ, ะหรือขออัยเจโตวิมุติ สั ม, มาธิฏิเป็นปัญญาวิมุตต์พันทั้งสมถาวิปัสสนาก็เป็นไปควบคู่กันเนี่ยนะที่จะทําให้พ้นทุกข์อันนี้ในหนึ่งถ้าเป็นที่อื่นๆเนี่ยจะกล่าวว่าเจโตวิมุตตินี่เป็นชื่อของอนาคามิมักหรืออนาคามิผลเนี่ยเป็นที่สํารอกราคะปัญญาวิมุตต์เป็นชื่อของอรหัตมักอรหัตผลเป็นที่สำ ROC อ, อวิชชานะ สัจจะสองอย่างข้างต้นคือทุกข์และสมุทัยโดยในที่กล่าวแล้วนี้ก็ดีสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเชื่อว่ามักอันสแสวงหาที่สงบมักตัวเนี้ยเป็นธรรมชาติที่สแสวงหาพระนิพพานที่สงบระงับจากสังขารทั้งปวงการพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้ามองสองอย่างชื่อว่านิโรธที่ดับเนี่ยนะนิโรธที่ดับนะเพราะนิโรธนั้นสงบระงับจากสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงสัจจะสี่เหล่านี้ท่านยกมาแล้ว เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ายะถาปิโ ม, มเลเป็นต้นข้างบนเนี่ยเป็นการแสดงตรงๆ น, นะพอย่อหน้าล่างเนี่ยประกาศถึงอว ต, ตะคือพลิกระวังวิสภาคเนี่ยนะคือมองแบบว่าถ้าเพลิดเพลินในวัตตะต่อไปเป็นยังไงถ้าสำรอกจากวัตตะเนี่ยเป็นอย่างไรอว ต, ตหาระนี่ก็คือการพิจารณาธรรมะแบบวัตตะกับวิวัตต ะ, ะนะ ให้มองพระธรรมเห็นทั้งวัตตะและวิวัตะนั่นเองเคยได้ยินคําว่าเจโตวิมุตต์นันไม่กําเริบซึ่งเป็นพาเวตาปธรรมใช่ไหเจโตวิมุตต์นั่นไม่กําเริบนี่เป็นสัจจิกาตปธรรมสัจจิกาตาปธรรมครับหมายถึงอริยผลอตัวนี้มีอกุปปาเจโตวิมุตต์กับกุ ป, ปาเจโตวิมุตต์ กุปปาเจโตวิมุตต์ที่ยังกำเริบนะสมถะทั้งหลายก็ยังกำเริบคือระดับฌานทั้งหลายที่ฌานโลกิยะฌานเนี่ยนะก็เป็นเป็นธรรมะที่ยังกำเริบอยู่ยังกำเริบด้วยธรรมที่สูงกว่าแล้วก็ยังกำเริบด้วยอารมณ์เนี่ยนะส่วนอรหัตตผลนั้นไม่กำเริบโดยประการทั้งปวงฉะนั้นกัปปปาเจโตวิมุตต์วิมุตต์ที่ไม่กำเริบหมายถึงอรหันตผลคือนี้พวกเจโตวิมุตต์ อ, อย่างพวกเมตตากรุณาอะไรพวกนี้ก็เป็นเจโตอิมุตเหมือนกัน อ, อยังกําเริบอยูอ่สำหรับสมถะกับวิปัสสนาในที่นี้นี่ไม่ได้มุ่งถึงถึงพาเวตัปรธรรมนะครับนี่แสดงว่าเป็นโล ก, กุตระนึกไหมก็สมถะวิปัสสนาเนี่ยนะย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาพวกนี้ก็เป็นภาเวตัปรธรรมภาเวตัปรธรรมนี่อมความไปถึงอริยมรรคนะนะเพราะว่าภาเวบริบูรณ์จริงๆคือขณะมรรค ถ้าขณะผลไปแล้วจะเป็นสัจชิกาตประธรรมจะไม่ใช่ภาเวตประธรรมผลนิพพานเนี่ยนะผลนิพพานทั้งหลายเนี่ยเป็นสัจจิกาตประธรรมสมถาวิปสัสนาจนถึงมรรคเป็นกลม่มภาเวตประธรรมเ อ, อ่อเดี๋ยวถามพระอาจารย์ทีว่าอย่างบ า, างทีก็พูดถึงการละกิเลสเนี่ยซึ่งแสดงท่านแสดงว่ากิเลสในเกิดร่วมกันเนี่ยโดยลักษณะ ส, สองอย่างคือ ละต้องช้ว่าละกิเลสที่เกิดร่วมกั น, นโดยหนึ่งเกิดในที่ตั้งที่เดียวกันนี่ผมรู้สึกจะใช้คำพูดผิดละได้โดยการเกิดร่วมกันหนึ่งละได้โดยการเกิดในที่เดียวกันหนึ่งอันนี้รู้สึกจะมีในปฏิสัมิธามากักก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกระจ่างแจ้งนะักพระ อ, อาจารย์ไม่ทราบมีช่วยอธิบายได้ไหมครับคือเวลาละกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยหมายว่าอย่างเช่นโซดาปฏิมากรเนี่ยเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ย จะละทิติคตะเออโลภะทิติคตะสัมปยุตสี่ดวงแล้วก็โมหะวิจิกิจชาสัมปยุตหนึ่งดวงอันนี้คือละได้โดยการเกิดในจิตเดียวกันแต่ทีนี้ก็สามารถที่จะละทิติคตะบิปยุตแล้วก็อาจจะพวกกิเลสอย่างอื่นด้วยซึ่งซึ่งมีสิบตัวเนี่ยนะฮะที่เป็นอาปายคามันนมิยะคือตัวที่ทำให้ไปอาบายเนี่ยอันนี้เนี่ย ท่านที่บากว่าละได้โดยการเกิดในบุคคลเดียวกันทีนี้รู้สึกว่าอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจกระจ่างแจ้งชัดพระอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายได้ไหมครับคือพระโสดาบันเนี่ยนะที่ขณะที่โสดาปฏิมาเกิดขึ้นเนี่ยวัตถุที่ท่านทำปริญญาก็คือส ก, กายะในภูมิสามใช่ไส ก, กายะธรรมในภูมิสามท่านทำปริญญาเพื่อละนะคร สกายทิฏฐิวิจิกิจชาและศีลภัตตปรามาตเพราะโดยสภาพจิตที่ถูกละไปทันทีนะพระโสดาบันเนี่ยละจิตห้าดวงที่เป็นอกุศลนะอกุศลและจิตตุก บ, บาทเหล่านั้นห้าดวงถูกละออกไปหมดเลยตัวทิฏฐิขตสัมปยุทธ์พร้อมทั้งเจตสิกที่ประกอบในจิตตุก บ, บาทนั้นเนี่ยถูกละโดยประการทั้งปวง พันหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยพระโสดาบันจะไม่มีจิตตุบาทห้าดวงเลยนีจิตตุบาทห้าดวงนี้คือจิตเนี่ยจะลดลงนะลบทันทีเลยห้าดวงทีนี้กิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้าจะเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดที่สกายะเนี่ยนะสกายะธรรมคืออุปาทานขันห้าทั้นผลเอ่อผลของโสดาปฏิมรักที่ไปทําปริญญาเนี่ยอุปาทานขันห้าพวกแห่งจะไม่เป็นวัตถุของ สักายติทิฐิวิจิกิจชาหรือไม่เป็นวัตถุของจิตทั้งห้าดวงนี้อีกต่อไปเพราะว่าอริยมรรคเนี่ยเพิกถอนอกุศลจิตเหล่านั้นเสร็จแล้วส่วนกิเลสอย่างอื่นอื่นอีกก็เช่นโลภะวิประยุติสี่ดวงโทส ะ, ะปฏิฆาสัมปยุตอีกสองดวงแล้วก็พวกพวกจิตเหล่านี้เนี่ยนะที่ ที่เป็นอาบายาคามินีเช่นตัวที่จะทําให้เกิดเจตนาที่ล่วงศีลทุศีลเนี่ยนะเช่นพระโสดาบันเนี่ยก็ไม่มีเจตนาที่จะละเมิดศีลห้าเพราะนั้นละเมิดศีลด้วยโทสะก็ตามละเมิดศีลด้วยโลภะวิปยุตก็ตามพระโสดาบันเนี่ยละได้โดยประการทั้งปวงเพรกิเลสในส่วนหยับหยาบเนี่ยผูกถากออกไปมากถ้าปุถุชนทั้งหลายเปรียบเทียบประดุษ กิเลสเหมือนเมฆฝนที่ฟ้าผ่าเปรี้ยงปร่างตกคำรามมาหมดเลยเนี่ยนะถ้าปุตุชนเนี่ยลักษณะนั้น่ะทั้งเมฆทั้งหมอกทั้งฟ้าผ่าทั้งะนะตกกระจัดกระจายฝนตกน้าท่วมเลยนะนั่นคือลักษณะของปุตุชนถ้าเป็นพระสะกท า, าคามีเมฆเบาบางมืดครึ้มเฉยๆว่างไปเยอะแล้วแต่ว่ามืดครึ้มไม่มีฝนตกไม่มีฟ้าผ่าะนะพระโสดาบันขออภัยพระโสดาบันไม่มีฝนตกไม่มีฟ้าผ่า พระสกะธาคามีก็เบาบางลงไปกว่านั้นเหมือนปุ๋ยเมฆเหมือนั้นนะเหมือนปุ๋ยเมฆท่านาคามีที่เกี่ยวกับเรื่องกามนี่ใสเลยถ้าเป็นท่าทหารก็เรียกว่าอาทิตย์ทรงกรดด้วยซ้ำไปเนี่ยนะสว่างสวัยโดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นในทุกอารมณ์นั้นโลกของปุตตชนทั้งหลายก็อยู่ในโลกที่คืนเดินมืดฝนตกฟ้าร้องเนี่ยนะระวังมันเกี่ยวข้องอะไรต้องระวังมากๆเดี๋ยวฟารันจะเผา ก็ต้องรักษาศีลนะว่าให้ดีๆนะไม่งั้นเนี่ยก็อย่างว่านะมันถ้าเป็นในโลกของปุถุชนทั้งหลายก็มีการกระทบการเกี่ยวข้องกันเป็นต้นเลยนะซึ่งวัตถุเหล่านี้ถ้าเราไม่เจริญไม่ทําปริญญานี่เดือดร้อนในภายหลังจริงๆในถ้าทําปริญญาเนี่ยนะพวกบาปอกุศลทั้งหลายที่ควรจะเกิดในวัตถุใดวัตถุนั้นก็จะไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสไม่เป็นที่เกิดแห่งบาปและอกุศลในวิสุทธิมัจญาณทัศน วิสุทธิเนี่ยนะก็กล่าวถึงการจำแนกว่าโซดาปฏิมักแล้วเนี่ยละกิเลสอะไรไปบ้างละสังโยชน์อะไรไปบ้างละบาปอากุศลอะไรไปบ้างมันในเล่มสุดท้ายก็อธิบายไว้นะซึ่งในที่นี้ไม่ค่อยเหมาะที่จะอธิบายไปขนาดนั้นเนี่ยนะในระดับสูงสุดขนาดนั้นอะไรมันก็มาค่อยๆทําความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดแนวความคิดอะไรที่จะช่วยให้เข้าใจในคําสอนได้มากขึ้น ไปตรึกคําสอนได้มากขึ้นแท่งคําสอนได้มากขึ้นเอาเอ า, เอาตรงนี้ก่อนนั่นะนะซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการละละเอียดอีกครั้งหนึ่งในในิยานิยะนยะินยัซึ่งจะอยู่ข้างหน้าต่อไปมันนยะแห่งคาถาที่2ในหน้า54ที่กล่าวเนี่ยนะนะก็จบว่าสรุปให้เห็นทั้งอุปมาและอุปไมใช่มัยว่ากลุ่มปุตุชนก็เหมือนกับพวกไหน เหมือนกับต้นไม้ที่งอกงามเจริญเติบโตได้รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินอย่างงดงามถ้าผ่าระยะก็ตรงกันข้ามเป็นต้นไม้เฉาตายแล้วนะเป็นต้นไม้ที่ถ้าเป็นผ่ารหารก็เป็นต้นไม้ผุผุต้นหนึ่งเท่านั้นเองที่อะไรนะตาละวัตถุกตานะี่แหละเป็นกลุ่มตาลยอดด้วนหรือเป็นต้นไม้ผุเท่านั้นเองนะไม่มียางไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะ การเรียนพระอาจารย์ครับซึ่งในพระไตรปโดดท่านชอบใช้คําว่าเหมือนเถาย่านทรายที่เจริญในป่าผมไม่เคยเห็นพระอาจารย์ช่วยกลวนอธิบายได้ไหครับถ้าถ้าไปในป่าเนี่ยนะมันจะมีไอ้เครือเถาเนี่ยมันขึ้นบนต้นไม้นะต้นไม้ไหนถ้ามีเครือเถาไปมันจะค่อยๆล้อมไปเรื่อยๆเหมือนงูพันขึ้นเนี่ยนะค่อยๆพันขึ้นพันขึ้นพันขึ้นเมื่อพันแล้วมันก็จะไปโน่นอยู่ที่ยอดมันก็จะมีแต่ใบเดือดคิดง่ายๆเหมือนกับ ปลกดอกกระดังงาดอกอะไรที่มันเป็นเครือเถาแบบนั้นอ่ะขึ้นไปมันก็อาศัยไอ้พวกต้นไอ้เครือเถาในป่าแบบนั้นมันไม่มีเสาใครทําเสาให้แบบเนี้ยนะแบบในหมู่บ้านในเมืองอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นในต้นไม้ในป่าอ่าเรียกว่าต้นย่านสาเนี่ยมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็ค่อยๆรัดขึ้นรัดขึ้นมันก็ไปแย่งน้ําในต้นนั้นอ่ะมาหล่อเลี้ยงในที่สุดไอ้ต้นเดิมก็ตายพอต้นเดิมตายมันก็เอาต้นนั้นแหละเป็นแก่นมัน ตัวเองมันเองมันไม่มีแก่นอะไรมันก็อาศัยต้นนั้นเป็นแก่นทีนี้ถ้าข้างบนเนี่ยพวกนี้มันใบมันมากเมื่อใบมันมากเข้าลมมันมามันก็จะพาระรานหักโค่นล้มไปทั้งหมดเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่ากลุ่มเถาย่านทรายเป็นต้นไม้เถายันชนิดหนึ่งที่เกาะที่เกาะที่ที่อุบลเนี่ยจะมีเยอะต้นนั้นที่มันขึ้นไปพันต้นทรเนี่ยอ้อขออภัยต้นยางที่ไปพันต้นยางถ้าไม่รีดตัดนะต้นยางต้นนั้นไม่นานสักเท่าไหร่ งก็ต้นเป็นอบๆเลยนะไม่นานสักเท่าไรเดี๋ยวก่าจ้งมานะเพราะมันขึ้นไปรัดรัดรัดรัดรัดรัดล้วนไปเรื่อยๆๆๆ เ, เ, เ, เนี่ยนะนั่นก็เทวดาทั้งหลายที่เขารู้ความนี่เขาจะเดือดร้อนเนะี่ยต้นไม้นี้ไม่นานจะถูกโค่นแล้วนะนะอีกคาถาหนึ่งนะในหน้าห้าสิบห้ากล่าวว่า สัพปปะปัสสะการนังกุศลโสประสัมปทาส จ, จิตะประโยชนท ป, ปนังนั่นนะเอตังพุทธานาซาสนังนั่นนะก็โอวาตปาติโมกที่มีบ่อยๆว่าการไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการอบรมจิตของตนให้สะอาดหมดจดธรรมะสามประการ น, นี้เป็นคําสอนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นนะแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าก็หลักการใหญ่ๆกว้างๆ ก, ก, ก็มีอยู่เท่านี้แหละ ไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตของตนให้ข่ารอบนี่นะสจิตตะประโยชน์ถ ป, ปนังเนี่ยนะชำระจิตให้ข่ารอบ3ประการนี่แหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าถามว่าบาปทั้งปวงคืออะไรก็คือกายทุจริต3านี่นะเออทุจริต3มีกายทุตเจริตวจีทุจริญและมโนทูตเจริญเชื่อว่าบาปทั้งปวงความประพฤติ ช, ชั่วเหล่านั้นจัดเป็นอกุศลกรรมบท10 นะชั่วทางกายก็แบ่งได้สมใช่ไหมคือปาณาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจฉาจารมุสาวาทก็แบ่งเป็นสี่คือขอภัยวจีทุจริตแบ่งเป็น4ี่คือมุสาวาทปิสุณาวาจาพรุสวาจาและสัมผัสตลาปะมโนทุจริตแบ่งเป็นสามคืออภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิกรรมชั่วอันเป็นเหตุให้ไปอบายเหล่านั้นเนี่ยจัดเป็นกรรมสองอย่าง คือเจตนากรรมกับเจตสิกกรรมแบ่งเป็นสองนะคือเจตนากับเจตสิกแบ่งเป็นสองส่วนเจตนามีอะไรบ้างอ่ะตัวเจตนาถ้ามองให้เป็นเจตนาคือกรรมบทเจ็ดข้อแรกเป็นเจตนาสามข้อหลังเป็นเจตสิกเจ็ดข้อแรกเป็นเจตนากายทุจริตสามวิจิรทุจริตสเป็นเจตนา มโนทูจติสามนี้เป็นเจตสิกในสองอย่างนั้นปาณาติบาตปิสุนาวาจาและพุทธสว า, ามีโทสะเป็นสมุทฐานวันนี้เป็นเจตนากรรมใช่ไหมเจตนาฆ่านะเจตนาฆ่าเจตนาส่อเสียดกับพุทธสวามาีพวกนี้โทสะนัเป็นสมุทฐานหลักๆของ ทำให้เขาแตกแ ย, ยกกันเป็นสมุทฐานแห่งการฆ่าเป็นสมุทฐานแห่งคำหยาบอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารและมุสาวาตมีโลผ้เป็นสมุทฐานนัยยะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตับพนุระนัยยะเนี่ยนะพูดแบบมากเข้าว่านะพูดแบบมากโดยมากฆ่าสัตว์ส่อเสียพูดคำหยาบโดยมากมีโทสะเป็นสมุทฐาน ลักทรัพย์กาเมและมุสาวาตโดยมากมีโลภะเป็นสมุทฐานเพราะมุสาวาต ด, ด้วยโทสะก็ได้แต่นี่ไม่พูดพูดในยะแบบพูดแบบโดยมากเข้าว่านะสัมผัสปลาปะมีโมหะเป็นสมุทฐานอนะอภิชาเป็นโลภะอากุศลมูลพยาบาทเป็นโทสะอากุศลมูลมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉามัต เหตุสามอย่างเหล่านี้เชื่อว่าเจตสิกกรรมที่ประกอบในจิตนะพอสรุปได้นะว่ากายกรรมวจีกรรมเนี่ยเป็นเจตนาส่วนอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิถินั้นเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนากรรมมังเจตสิกกรรมมังเจตนาก็เป็นกรรมเจตสิกก็เป็นกรรม อากุศลมูนเมื่อถึงความพยายามด้วยกายและวาจาย่อมถึงอคติสี่อย่างถ้าใครประพฤตในอกุศลกรรมบทสิบนี่นะพวกนี้ชื่อว่าถึงอาคติคือฉันทาคติโทสาคติพยาคติและโมหคติคำว่าคตินี่แปลว่าไปใช่ไหมอคตินี่เาเรียกว่าอ่ะคตินี่แปลว่าถึงก็ได้อคติก็คือสิ่งที่บัณฑิตไม่พึงถึงแปลว่าบัณฑิตเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอก นนะวันคนที่ทําอคติสี่ประการคือบุคคลที่ไม่ใช่บัณฑิตวันบุคคลที่ผู้ไม่ใช่บัณฑิตก็ย่อมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในการมเป็นต้นบ้างนะในสอย่างนั้นบุคคลถึงอคติใดเพราะฉัฉฉนทะเนี่ยนะเรียกว่ารักใคร่ชอบพอกันอคตินี้มีโลภะเป็นสมุทฐานหมายถางว่าฉันทาคตินี่มีโลภะเป็นสมุทฐาน โทสาคติมีโทสะเป็นสมุทฐานคือบุคคลถึงคติใดเพราะความโกรธอักคตินี้มีโทสะเป็นสมุทฐานไม่ไม่น่าทําเลยนะแต่ก็ต้องทำอะ่ะเพราะโทสะมันเป็นสมุทฐานบุคคลถึงอักคติใดเพราะความกลัวและความเคขา่าอักคตินี้มีโมหะเป็นสมุทฐานแลก็อักคติมีสี่ใช่ไหมถ้ากล่าวตามสมุทฐานโลภโทสะและโมหะ โลภะนี้เป็นสมุทฐานแห่งฉันทาคติโทสะเป็นสมุทฐานแห่งโทสาคติโมหะเป็นสมุทฐานแห่งพยาคติและโมหาคติใน อ, อาคุศลมูลสามอย่างนั้นโลภะย่อมถูกละด้วยอสุภะโทสะย่อมถูกละด้วยเมตตาโมหะย่อมถูกละด้วยปัญญา นอกจากนั้นโลภะย่อมถูกละด้วยอุเบกขาโทสย่อมถูกละด้วยเมตตาและกรุณาโมหะย่อมถึงการหายไปการตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยมุทิตาแสดงกลานถึงการละอคติสองในถ้าพูดแบบชาวโลกทั่วไปละอคติด้วยพรห ม, มิหารพรห ม, มิหารเนี่ยละอคติสผู้ใดดำรงอยู่ด้วยพรห ม, มิหารธรรมผู้นั้นละอคติได้เช่นอย่างว่าเจริญเมตตามาก ละอะไรโทรสาคติเนี่ยนะเจริญกรุณามากก็ละอะไรโทรสาคติเจริญเมตตากับกรุณาเนี่ยละโทสาคติเจริญอุเบกขามากละอะไรนะฉันทาคติถ้าเจริญมุทิตามากละโมหคติเนี่ยนะอันนี้เราพูดถึงแบบทั่วๆไปนะ ผู้ที่มีพรหมวิหารสี่ก็ไม่ถึงอักคติแล้ว